ตอนที่หนึ่ง้สองสัมผัสที่หกอันหน่าสะพึงกลัวของผู้บัญชาการกองผนเจิงหยวนเซ้าเหิงถึงได้ไม่ซักไซสไลเลเียงต่อขอเพียงอสองเข้าใจความหมายของเขาก็พอแล้วช่วงนี้เสี่ยวหมาลำบากดูแลผมไม่น้อยเลยผมบอกให้เธอกลับไปพักเธอก็ไม่ยอมกลับเจิ้งหวินชงเพียงแค่รู้สึกว่าลูกสาวคนนี้เขาไม่ได้รักเสียเปล่าตอนนี้เขายังไม่ทันแก่เท่าก็ได้สัมผัสถึงข้อดีของการมีลูกสาวแล้วหยวนเซ้าเหิงหรือว่าเขาจะไม่กระตันยู การได้รับบาดเจ็บของเจิ้งอวิ๋งชงในครั้งนี้สร้างความสันสะเทือนไปทั่วทันเขตทหารหลังจากอาการของเขาเริ่มฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยเขาก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองพลเจิ้งทันทีมีเพียงคนตระกูลเจิง้งมีเพียงหลี่ชิงพิงและคนอื่นๆที่ไม่อยากเห็นเจิ้งหวิ๋งชงได้รับการเลื่อนตำแหน่งด้วยวิธีนี้เพราะมันแลกมาด้วยชีวิตที่เกือบจะรักษาไว้ไม่ได้ หลังจากเจ้งางวินฉงพักรักษาตัวในโรงพยาบาลได้สองเดือนหมอก็อนุญาตให้เขากลับไปพักฟื้นที่บ้านโบราณว่าบาดเจ็บถึงกระดูกต้องพักฟื้นร้อยวันผ่านไปสามเดือนกว่าร่างกายของเขาถึงค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นอย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดทั้งวันทั้งคืนอีกต่อไปแต่สามารถลงจากเตียงมาทำกิจกรรมได้บ้างลีชิงผิงต้องดูแลลูกในตอนกลางคืนจึงไม่สามารถนอนห้องเดียวกับเขาได้เจ้งางวินฉงที่ต้องนอนในห้องคนเดียวโดยไม่มีใครอยู่ข้างกายเริ่มรู้สึกไม่ชินอย่างมาก ชิงพิงคืนนี้เรานอนด้วยกันเถอะเจ้างวิญชงอาศัยจังหวะตอนกินข้าวพูดขึ้นมากระทันหันลีชิงพิงคิดไปไกลทันทีใบหน้าของเธอแดงซ่านขึ้นมาพูดอะไรนะ่ะรีบปิ้งข้าวไปเลยตอนกลางคืนลูกๆชอบแงจะรบกวนการพักผ่อนของคุณถ้าคุณพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายก็จะฟื้นตัวไม่ดีเรื่องอื่นห้ามคิดฟุ้งซ่านเด็กขาดแล้วก็ต่อหน้าลูกๆห้ามพูดจาและเธอณเดี๋ยวจะสอนเด็กๆในทางที่ผิดลีชิงพิงค้อนให้เจ้งางวินชงด้วยความเคืองขุนคนเจ็บหนักขนาดนี้ยังมีแก่ออองอื่นีก เจ้งางวินฉงรู้สึกได้รับความไม่เป็นธรรมจริงๆผมแค่รู้สึกว่านอนในห้องคนเดียวมันน่าเบื่อเกินไปไม่มีใครคอยคุยด้วยเลยตอนผมอยู่ห้องไอซีที่โรงพยาบาลในนั้นมันเงียบมากเงียบจนแทบจะบ้านในนั้นคุณจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนกลางวันอันไหนกลางคืนพลื่มตาขึ้นมาก็มีแสงเจ้ายิ้งตาสิ่งเดียวที่ได้ยินคือเสียงติ๊ดติยิ่งดีที่เสี่ยวหมานเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนคุยกับผมได้ทุกวันแต่เธอก็อยู่ได้ไม่นานเพราะกลัวจะรบกวนการพักผ่อนของผมนี่เป็นครั้งแรกที่เจ้งอวินฉงเล่าเรื่องในห้อง U ให้ลีชิิงฟัง ลิชิงผิงตั้งใจฟังอย่างมากเธอเองก็อยากจะรับรู้เรื่องราวให้มากขึ้นตามหลักแล้วตอนที่เขาป่วยหนักเธอที่เป็นภรรยาควรจะดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ทว่าที่บ้านก็มีภาระจนปลีกตัวไปไม่ได้จริงๆลีชิงผิงมักจะรู้สึกว่าตัวเองทำหน้าที่ดูแลได้ไม่ดีพอในใจจึงรู้สึกไม่สบายใจนักสามีภรรยาใช้ชีวิตร่วมกันก็ต้องประครับประคองกันไปตอนฉันคลอดลูกสองคนคุณก็ดูแลฉันที่โรงพยาบาลไม่ห่างกายจนแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอน แต่พอคุณบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลครั้งนี้ฉันกลับพาลูกไปเยี่ยมได้แค่ไม่กี่วันครั้งไม่ได้ดูแลคุณเลยสักวันเดียวฉันเป็นภรรยาที่ไม่รับผิดชอบเกินไปหรือเปล่าลีชิงถิงรู้สึกผิดในใจพูดจาเหลวไหลอะไรนะ้าตอนนั้นที่ผมดูแลคุณที่โรงพยาบาลได้เพราะที่บ้านไม่มีใครให้ผมต้องดูแลอีกอย่างคุณคลอดลูกให้ผมถ้าผมไม่ดูแลคุณแล้วใครจะดูแลเจ้หวินชงหัวเราอเบาๆพลางปลอบโยนการบาดเจ็บครั้งนี้ของผมมันเป็นอุบัติเหตุผมรู้ว่าคุณดูแลลูกสองคนอยู่ที่บ้านอย่างดี ผมเองก็อยากให้คุณไปดูแลที่โรงพยาบาลเหมือนกันการมีคนคอยอยู่คุยด้วยมันย่อมดีกว่าอยู่แล้วแต่มันไม่มีทางเลือกถ้าผมจะโทษผมก็ต้องโทษเจ้าลูกสองคนนี้สิไม่มีทางโทษคุณหรอกถ้าพูดแบบคุณแม่ผมก็ควรจะไปดูแลที่โรงพยาบาลด้วยสิผมก็เป็นลูกชายท่านนะเจ้างอาวินชีพน้องไก่พะโลให้หลีชิงผิงผมเข้าใจดีคุณไม่จําเป็นต้องโทษตัวเองหรอกเซาเหงเองก็คิดเหมือนคุณ น, นั่นแหละมาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ดูแลผมเท่าที่ควร ลี่ชิงผิงคิดว่ามันไม่เหมือนกันอย่างไรเสียคนหนึ่งก็เป็นหลานอีกคนหนึ่งก็เป็นสามีภรรยายังมีอีกเรื่องหนึ่งเจ้งอวิงชังเลไม่แน่ใจว่าควรจะบอกเธอดีไหมลีชิงผิงเห็นเขาท่าทางอึกอักจึงถามด้วยความสงสยัยมีอะไรเหรอตอนที่ผมอยู่ที่โรงพยาบาลช่วงก่อนผมสังเกตเห็นว่าเซ้าเหิงกับเซียวหมานดูไม่ปกติความสัมพันธ์ของพวกเขาสองคนก็ดีมาตลอดนี่นาหรือว่าจะมีเรื่องขัดใจกัน ลีชิงถิงแปลกใจผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเจิ้งหวิน่าสงสายหน้าแต่เศร้าเหิงดีกับเสี่ยวหมานเกินไปดีจนดูไม่ใช่พี่ชายที่ทำดีกับน้องสาวผมกลับรู้สึกว่าเหมือนคนรักที่กำลังคบหาดูใจกันมากกว่าลีชิงผิงอึ้งไปครู่ใหญ่จนตั้งสติไม่ได้ผ่านไปนานลีชิงพิงก็หัวเราะออกมาเป็นไปไม่ได้ สถานการณ์ที่คุณว่ามานะันน่าไม่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาดถึงเด็กสองคนจะไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด ก, กันเลยแต่พวกเขาก็ใช้ชีวิตแบบพี่น้องมาตั้งนานถ้ามีความคิดอื่นจริงๆคุณจะมองไม่ออกเชียวเหรอมองออกสิเจ้งหวินชงคิดว่าการจะมองให้ออกนั้นไม่ใช่เรื่องยากเขาพยักหน้ายืนยันอย่างจริงจังมองออกจริงๆการที่พวกเขาสองคนอยู่ด้วยกันมันไม่เหมือนที่น้องเลยสักนิดฉันว่าคุณคิดมาไปเองมากกว่าเรื่องนี้คุณพูด ก, กับฉันก็พอแล้วอย่าไปพูดต่อหน้าเด็กสองคนเชียวนะ ลี่ชิงพิงกล่าวหักฉีกหน้าต่างกระดาษแผ่นนี้ออกไปเปิดเผยความลับถึงตอนนั้นจะมองหน้ากันไม่ติดเอาได้คุณไม่เชื่อเหรอเจิ้งอวินชงเริ่มร้อนใจทใําไมเธอถึงไม่เชื่อเขาละ่ะชิงพิงเมื่อก่อนไม่ว่าผมจะพูดอะไรคุณก็เชื่อตลอดทำไมเรื่องนี้ถึงไม่เชื่อตอนที่ผมมีความคิดนี้ขึ้นมาผมก็ตกใจตัวเองเหมือนกันผมก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ทุกเรื่องมันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกนะน้ําเสียงของเจิ้งอวินชงหนักแน่นขึ้นรอยยิ้มที่มุมปากของลี่ชิงพิงแข็งค้างไปอีกครั้ง แล้วคุณคิดยังไงล่ะต่อให้พวกเขาสองคนเป็นอย่างที่คุณว่าจริงๆคุณจะทํำยังไงจะขัดขวางความรักหรือว่าจะสนับสนุนเสี่ยวหมานตอนนี้ยังเด็กนักคงยังไม่มีความคิดด้านนี้หรอกแต่เศร้าเหฮงน่าไม่แน่ถ้าเด็กสองคนนี้ลงเอยกันได้พวกเขาก็เป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองใครจะไปห้ามก็คงไม่ได้ผลหรอกที่สําคัญที่สุดคือเศร้าเหฮงเรารู้จักนิสัยใจคอกันดีถ้าแต่งงานกันไปก็ไม่ใช่เรื่องแย่อย่างน้อยก็ไม่ต้องไปสื่อประวัติที่ไหนให้เสียเวลา เจ้องอวินชงยิ้มออกมาถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเขาก็คงไม่รู้สึกเหมือนเสียลูกสาวไปลีชิงพิงไม่ได้พูดอะไรเรื่องของความรู้สึกมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครบอกได้จริงๆแต่ว่าเสียวหมานกับเร้าเหิงน่ะเหรอพวกเขาสองคนจะไปกันได้จริงๆหรือการที่เส้าเหิงกลับไปตระกูลหยวนผมว่าต้องมีสาเหตุมาจากเรื่องนี้แน่ๆในทางนิตินัยพวกเขาไม่มีความเกี่ยวข้องกันแล้วแบบนี้จะได้ไม่มีใครเอาไปนินทาได้ หลังจากหลีชิงผิงรับรู้เรื่องนี้เธอก็นอนไม่หลับทั้งคืนส่งผลให้วันต่อมาสภาพจิตใจของเธอไม่ค่อยดีนักเมื่อเจ้าชุนฮาวาเห็นเข้าก็ถามด้วยความหงอยยายอยู่หลายครั้งว่าเป็นอะไรไปหรือว่าดูแลลูกจนเหนื่อยหรือว่าดูแลอวิ๋นฉงจนเพลียกันแน่แม่คะไม่มีอะไรค่แค่เมื่อ ค, คืนนอนไม่ค่อยหลับเดี๋ยวตอนเที่ยงงีบสักพักก็คงดีขึ้นแล้วค่ะวันนี้เด็กสองคนนี้ให้แม่ช่วยดูแล้วกันไม่รู้ว่าอ่าแม่บ้าน ที่บ้านเป็นอะไรอยู่ดีๆก็ขอลาตั้งหลายวันทั้งที่รู้ว่าที่บ้านกำลังยุ่งเจ้าชุนหววบน่นพึมพำอย่างไม่พอใจถ้าไม่ไหวจริงๆเราก็จ้างคนอื่นเถอะลาบ่อยๆแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกัน